สั่งกันนะสั่งแล้วก็เอามาตรวจสอบนะกับการพื้นปฏิบัติของเราเองฟนะังแล้วก็มาตรวจสอบนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับกายกับใจมันเป็นแบบนั้นไหมนะไม่ใช่การ ฟังเพื่อความคิดเข้าใจแต่ฟังเพื่อให้เห็นตามนะในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะทวนเข้ามาดูทวนเข้ามาดนะูว่ามันเกิดขึ้นขับกายกับใจเป็นแบบนั้นจริงห ร, หรือเปล่านะเราปฏิบัติธรรมในแนวทางเจริญสติ เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเห็นความจริงของของกายของเวทนาของจิตแล้วก็ของธรรมเราไม่ได้ไปไปดัดแปลงไปจัดการนะทิ้งต่างๆนะให้เป็นอย่างที่ใจของเราต้องการเนะนะาะการปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเราเข้าใจว่า เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบเราไมไ่ปฏิบัติเพื่อเอาความสุขเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้บังคับจิตมีอำนาจทางจิตเพื่อบังคับจิตของตนเองให้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการอันนั้นอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติในแนวทางเจอสติเนาะ ให้เกิดวิปัสสนาญาณเกิดปัญญาแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เราเรียนรู้ความจริงนความจริงที่เราสวดนี่นแหละ ว, ว่าว่ารูปนามขันธ์ทั้งห้านะมันเป็นตัวทุกข์อย่างไรเนาะบางทีเราก็บอกว่ามันเป็นทุกข์เพราะความความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะ เป็นทุกข์เพราะความพัดผ่าสูญเสียเป็นทุกข์เพราะความนปาจฉนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะมันก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเจอกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่พอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์พวกนั้นนะมันก็เป็นสิ่งที่อย่างแก่เจ็บตายเนะี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ค้นอยู่แล้วนะมันก็เป็นความทุกข์ ทางด้านร่างกายนะซึ่งเราจะรักษาร่างกายดีเท่าไรเนาะมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ร่าไปนะการแพทย์นะไม่ว่าจะแผนปัจจุบันหรือแผนนะอื่นๆก็เช่นกันเราทำได้เพียงแค่บำบัดทุกข์นะหรือว่าบรรเทาทุกข์ชะรอความทุกข์นะทางกายนะเราไม่ให้ทำเพื่อ เอาชนะนะความทุกข์ทางกายเพราะถึงที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะความตายนะเป็นธรรมดานะนั้นเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออย่างการแพทย์นะการรักษาเรารักษาคนก็ไม่ใช่เพื่อว่าเขาจะต้องไม่ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะแต่เราเพียงแค่ใช่รอนะใช่รออาการแก่เจ็บตายของเขานะหรือให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะเราทานอาหารก็ดีเราพักผ่อนก็ดีเรารักษาสุขภาพด้วยด้วยยาด้วยการรักษาก็ดีหรือว่าเราใช้ เสนาธนะเราใช้เครื่องนุ่มผมต่างๆก็ดีนะเราก็เพียงแค่เพื่อเพื่อรักษาเขาให้ไม่ทุกข์มากแต่ไม่ให้ไม่ทุกข์เลยก็ก็เป็นไปไม่ได้นั้นเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นกับร่างกายเกิดความปวดเมื่อยขึ้นกับร่างกายเนี่ยนะบางทีใจ ใจมันอาจจะรู้สึกไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นไ อ, อ้ใจที่ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นแนะมันมันจะเป็นทุกข์ความทุกข์ของร่างกายเมื่อมันเป็นแล้วนะเรายอมรับเขาเลยนะเมื่อเรายอมรับเขาใจจะเบานะใจจะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นทุกข์ใจเราไม่ยอมรับนะใจก็ ใจก็จะหนักใจก็จะต่อต้านใจก็จะเป็นทุกข์สวนการปฏิบัติเองนะเราก็ต้องสำรวจดูร่างกายด้วยเหมือนกันนะบางทีเราไม่ใช่ปฏิบัติแบบตึงเกินไปจนกทั่งร่างกายก็เป็นทุกข์นั่งก็ไม่ใช่ว่าใครนั่งได้นานใครเดินได้นานใครทน พวกของสังขารร่างกายได้นานกว่ากันจะดีกว่าจะเก่งกว่านะจะมีสติมากกว่าที่จริงก็ก็ไม่ใช่เสมอไปนะนะไม่ใช่เสมอไปนะคือเรานะเราไม่ใช่ว่าเราจะนั่งทนนะหรือว่าเดินทนเพราะบางที มันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ที่สําคัญคือไม่ต้องไปทนมากนะถ้าปฏิบัติวิธีนี้นะเราไม่ได้เน้นดูดูที่ตัวเวทนานะที่มันเกิดขึ้นโดยโดยตรงนะแต่เราอาศัยเน้นดูดูอิยบทที่มันเคลื่อนไหวครับนะดูอิยาบทที่มันเคลื่อนไหวนะเรากําหนดสติอยู่กับการเคลื่อนไหวนะ อยู่กับการสัมผัสนะเวลาเราเคลื่อนไหวเรากำหนดสติอยู่กับตัวนั้นนะแต่เราค่อยๆเห็นเวทนาที่มันแทรกเข้ามานะความปวดความเมื่อยความเจ็บความหิวนะความง่วงนะมันจะเห็นนะว่ามันเป็นสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเป็นคนละตัวกันนะตัวหนึ่งที่เรากำหนดคือตัวเคลื่อนไหวนะ ตัวที่มันสัมผัสลงไปแต่มันก็จะรู้สิ่งที่ปรากฏแทะมาในกายนะความเจ็บความเมื่อย<ม>ต่างๆเกิดขึ้นกับกายเนะี่ยเราก็สามารถดูแทกเข้าไปได้เลยอันนี้ก็คือการเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายแนละ้วก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกทีหนึ่งแต่เราไม่ต้องไปรู้แบบตรงๆนะถ้าเราไปกาหนดดูเวทนา ที่เกิดขึ้นกับกายตรงๆถ้ากำลังสติของเราไม่มากพอส่วนให ญ, ญ่มันก็จะไปไปจมกับมันหรือบางทีเราก็วางใจไม่ถูกก็จะไปคล้ายๆคอยคอยคล้ายๆคอยลุ้นนะคอยลุ้นว่าเมื่ อ, อไรมันจะหายนออะไรนะเวลาเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขัดใจอยากให้มันหายนี่ ไม่อยากให้มันเกิดเกิดขึ้นอีกมันจะมันเกิดเป็นการคอยรุนไปแต่ถ้าเราไม่ได้ดูมันแบบตรงๆนะเราดูผ่านผ่านฐานการเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นกายนะที่เคลื่อนไหวแล้วก็เห็นเวทนาที่มันแทรกเข้ามาแล้วก็กำหนดรู้ไปก่อนถ้ามันรู้สึกปวดเมื่อยมากจริงๆล่ะ อันนี้เราก็กำหนดกำหนดรู้ในการเปลี่ยนอยบบทนะก่อนเปลี่ยนให้ตั้งใจรู้ก่อนนะตั้งใจรู้ก่อนว่าสมควรนะแก่การเปลี่ยนการเปลี่ยนอยาบทก็จะเป็นการเปลี่ยนอย่างมีสติไม่ใช่เปลี่ยนแบบหนีทุกขนะนะ์บางทีเราเวลาเราเจ็บปวดเมื่อยมากๆนะเราก็จะเรารีบเปลี่ยนเนะพราะเราเรีบเยบจะหนีทุกข์เพราะเราคิดว่ามันเป็นทุกข์ เราเปลี่ยนแล้วมันจะหายทุกเอไปจริงเราเปลี่ยนเพราะว่าสมควรเปลี่ย น, น, น <ะ S 2> เราก็กําหนดรู้นะก <นะ S 2> ําหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนอย่าบวชอย่างมีสติการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนนั่นแหละก็จะทําให้เรามีสติตามไปด้วย <นะ S 1> เปลี่ยนขึ้นมาเราก็ดูดูมันแต่จริงร่างกายเขาก็สอนความจริงให้เราเห็นนะว่าแม้เราจะเปลี่ยนกี่ครั้งกี่หน แม้ท่าไหนที่เรารู้สึกว่ามันสบายที่สุดนะเราว่าเรานั่งสบายแล้วนะนั่งพิงเก้าอี้ซะสบายแล้วนะหรือเราว่าเรานอนมันก็สบายแล้วแต่จริงมันไม่สามารถสบายได้ตลอดเวลาหรอกนั่งนานๆก็ปวดเมื่อยนอนนานๆก็เมื่อยล้าเหมือนกันนั้นร่างกายจริงๆเขาแสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์นะ เห็นกายในกายเนี่ยนะเห็นกายในกายเป็นเห็นกายภายนอกบ้างกายภายนอกเนี่ยก็คือเนี่ยแหละนะรูปร่างลักษณะที่เป็นตัววัตถุที่ที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งที่เจ็บปวดเมื่อยเนี่ยแหละนะมันเป็นกายภายภนอกเห็นกายภายในจริงๆเนี่ยคือเนี่ยแหละโดยธรรมชาติของกายภายในจริงคือเนี่ยมันมีความทุกข์นะ ถูกความทุกอย่างเข้าแล้วนะถูกความนะเปลี่ยนแปลงนะโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะเราไม่สามารถบังคับมันได้นะเราเพียงแค่นะกำหนดได้เพียงแค่อิเดียบทหลักๆภายนอกเท่านั้นแต่อวัยวะภายในร่างกายส่วนใหญ่เราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้หรอกแต่เราแค่กาหนดรู้นะถ้าเราดู ถ้าเรามาสีสติดูกายเนี่ยเราจะเห็นกายมันเป็นทุกข์กายมันเป็นทุกข์เมื่อเห็นกายมันเป็นทุกข์มันจะเราก็จะเบื่อหน่ายคายกำหนัดในความสำคัญมั่นหมายว่ากายเนี้ยมันจะต้องเป็นสุขมันจะต้องดีนะเมื่อเราที่เราเห็นกายมันเป็นทุกข์กาจิตมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเนี้ยมันเป็นของเรา เพราะว่าถ้ามันเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์นะมันจะคายออกมาของมันเองนะเหมือนเด็กนะแต่ก่อนไม่รู้ว่าอันนี้มันสกปรกนะก็เล่นดินเล่นขี้เล่นอุดเล่นปัดเสวะเล่นอะไรต่างๆนะก็นึกว่ามันเป็นสุขเล่นโคลนเล่นตมมันก็สนุกนะแต่มันเปื้อนนะมันสกปรก จิตใจของเราเองบางทีเราก็อืมอยากจะประดับตกแต่งร่างกายให้มันให้มันดีให้มันเป็นสุขแต่จริงมันก็ประดับไม่ได้อะไรมากหรอกนะเพราะโดยนัวแท้มันเป็นทุกข์เมื่อไรที่เราเห็นมันเป็นทุกข์จิตมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้มันก็จะรักษากายแค่พอประมาณะดูแลกายอา่า พอสมควรพอสมควรคือทําให้ร่างกายแข็งแรงเท่าที่มันทําได้นะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแต่เราจะใช้กายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด <นะ S 1> ประโยชน์สูงสุดของกายเนี่ยบางคนก็เอาร่างกายไปพัฒนาเพื่อให้แข็งแรงเป็นนักกีฬาที่เก่งหรือว่าใช้ร่างกายเพื่อ ทำงานแบบเรียกว่าให้เพื่อให้ร่างกายได้ทํางานได้เงินเยอะๆ<น>ะแต่ถ้าเราภาวนาแล้วนะถ้าเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นมากนะโดยเฉพาะตอนที่เราบวชเราจะใช้กายนะเพื่อเพื่อเรียกว่าสร้างสติครับใช้กายเพื่อสร้างสติทีลักษณะนะที่กายเคลื่อนไหวนั่นแหละคือโอกาสในการสร้างสติทุกทุกขณะ อุบายที่ที่เคลื่อนไหวเนะี่ยก็คืออุบายในการปลุกสตินี่แหละครับนะคือถ้าเราอยู่นิ่งๆโอกาสที่มันจะลืมตัวก็คือลืมทั้งตัวเองลืมทั้งตัวที่เป็นรูป ก, ก็ดีลืมทั้งตัวที่เป็นใจก็ดีมันจะมีสูงเนะพราะมันจะไหลไปอยู่กับความคิดไหลไปกับสิ่งที่ดูสิ่งที่ฟังนะ เราก็เลยอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นตัวเรียกว่าปลุกสตินะปลุกนะเคลื่อนไหวแล้วก็ปลุกให้มันเกิดความรู้นะเราเคลื่อนไหวบ่อยๆเพื่อปลุกความรู้นะในรูปแบบนะต่อไปเราก็ขยายความรูนะ้ความรู้ตัวไปสู่นอกรูปแบบจนะทําอย่างอื่นนะบางทีกิจวัตรประจําวันเนี่ยลนะมันทําให้เราหลงดูสติ ได้บ่อยนะแล้วก็ต้องกาหนดรู้นะแต่ไม่ใช่แบบไปตั้งใจนะนะรู้สบายๆนะบางทีนอกรูปแบบมันอาจจะไม่เป็นมันอาจจะไม่มีการตัวหยุดที่มันเป็นจังหวะชัดเจนเหมือนเหมือนในรูปแบบนะแต่เราก็กำหนดรู้แบบนะการกำหนดได้จับยาก่อนเนาะเช่นการจับการยกการเขี้ยวอะไรเงี้นะ หมอมันก็แต่เราไม่ต้องไปพูดหรอกนะเหมือนประมาณว่าให้รู้ในยียบทอยาบๆที่ที่เราทำนะเวลาจับประตูเข้าห้องน้ำเปิดประตูปิดประตูนะนั่งลงนะขับทายนะกดนะน้ำนะลุกขึ้นอะไรไหมนะมันก็จะมีจังหวะใหญ่ๆประมาณอยู่นะเรากำหนดดูตอนนั้นไปไปด้วยได้เลยนะแต่บางทีถ้าเราไม่ได้ ไม่ได้กําหนดความตั้งใจในการที่จะรู้เข้าไปมันก็จะมันก็จะทําให้เราดืมตัวไ ด, ได้ง่ายนะนเวลาปฏิบัติธรรมบางทีความคิดนะมันเกิดขึ้นไม่ค่อยได้บ่อยนะเพราเรากําหนดสติในการเดินในการยกมือแต่พอนอกรูปแบบเนนะี่ยมันจะโผล่ขึ้นมานะบางทีปฏิบัติธรรมนะบางทีเอ๊ะทัไมตอคืนมันคิดมากเหลือเกินนะมันฟุ้งออกมาเยอะเลย พราะกลางวันเนี่ยเราเรามีสติเราเรียว่าเราตัดความคิดบางทีก็เบรคความคิดบองคนถ้ากําหนดมากไปเนี่ยความคิดมันจะออกมาเนี่ยตอนกินข้าวนี่ยตอนอาบนา้ําตอนนอนอะไรพวกนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าอะไรบางทีเราข่มมันสักหน่อยข่มมันเกินไปมันก็โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเรากําหนดสตินะกำหนสติ เข้าไปในชีวประจําวันของเราด้วยนะนะความคิดพวเนี้มันก็จะค่อยๆนะถูกตัดถูกตัดถูกตัดไปเรื่อยๆนะนะมันจะเห็นเลยว่าถ้าสติมันมันชัดเจนเนะีนะ่ยนความคิดกับความกับความรู้สึกตัวเนะี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยคิดปุ๊บเนี่ยตัดปับ๊บคิดปุ๊บตัดปับ๊บนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าถ้ารู้สึกว่าเอะ มันก็คิดด้วยแล้วก็เหมือนรู้สึกตัวไปด้วยเนี่ยคือให้เรารู้เลยว่าตอนนี้นกำลังสติของเราไม่ไมพอถ้าคิดไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยนะถือว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นอยู่นะความอยากก็ยังอยากอยู่ความโกรธก็ยังโกรธอยู่ความพอใจก็ยังพอใจอยู่นะแล้วก็เราว่าเรารูก้ก็รู้สึกตัวอยู่นะแต่ทำไมมันไม่หาย มันก็ถูกนะครับนะถูกในแง่ว่ากำลังสติของเรายังไม่พอเนหะมือนกำลังของเราจะไปยกของที่มันหนักนะเรายกไม่ไหวนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีแรงแต่แรงเราแรงที่เรายกมันไม่พอนะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะนะเราอย่าเพิ่งไปกำหนดใส่ใจกับตัวที่มันยังทำไม่ได้นะเรามาใส่ใจในการสร้างสติของเราเลยนะ กลับมาสร้างสติไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะคิดอยู่หรือเปล่าไม่ต้องสนใจว่ามันจะโกรธโลภหลงอยู่หรือเปล่ากลับมาใส่ใจในการสร้างสติเลยสร้างสติสร้างสติถีลักขณะเข้าไปไม่ต้องไปใส่ใจดูความคิดตัวอารมณ์นะกลับมาสร้างสติก่อนพอสติมันกาลังมันพอมันจะย้อนกลับไปดูของมันเองนะมันจะย้อนกลับไปดูแล้วมันจะตัดของมันเองนะมันจะ คล้ายๆเหมือนตาช่างสองฝั่งเนาะตาช่างโบราณสองฝั่งฝั่งหนึ่งถ้ามันหนักนะเอมันก็จมฝั่งเรามันก็ลอยเหมือนคล้ายๆฝั่งฝั่งกิเลสฝั่งความคิดมันหนักมันมีกำลังฝั่งความรู้สึกตัวมันเบาหน้าที่เราก็เพียงแค่ว่าเพิ่มความหนักแน่นเข้าไปในฝั่งของความรู้สึกตัวนะน่ะ เรียกว่าทำตรงนี้นะอย่างเดียวก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะมีกาลังหนักนะหนักเท่าหรือว่าหนักมากกว่าฝั่งความหลงของมันเองนะเห ม, มือนอุปเมือนอุปมาอุปไมยที่หลวงพ่ะเทียนชอบเปรียบเทียบอะเรื่องเรื่องแมวกับหนูนะความคิดกิเลสต่างๆเนี่ยเหมือนกับหนนะูหน้าที่เราคือเรียกแมวนะไม่ใช่ไปจับหนู ไม่ใช่ไปคอยห้ามหนูให้มันไม่คิดนะหน้าที่เราคือเลี้ยงแมวให้มันโตนะก็คือเลี้ยงสตินะให้อาหารสติให้อาหารแมวทุกวันทุกวันทุกเวลานะเมื่อแมวมันโตมันมีกำลังนะมันไปจัดการของมันเองนะหน้าที่เราไม่ต้องไปไล่ความมืดนะแต่เพียงแค่ทำความสว่างขึ้นนะเช่นเปิดไฟนะ มันก็จะสว่างขึ้นแล้วเนะี่ยหน้าที่เราไม่ต้องไปได้เนะี่ยความโกรธความโรคความหลงก็เหมือนกันไม่ต้องไปได้เนะ่ราเพียงแค่ทำความรู้สึกตัวนะกับกายก็ดีนะมันก็จะเกิดความสว่างขึ้นแทนที่ความมืดความหลงแล้วเนะี่ยนี่คือเราเอาศัยร่างกายนะเนาะเพื่อเป็นตัวฝึกสติกนะขับดรสติกกับการเคลื่อนไหวไบ่อยๆนะ ทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบต่อไปสิ่งที่บางทีแรกๆพูดว่ากำหนดคือตั้งใจนะต่อไปความตั้งใจมันก็จะลดลงไปนะไม่ได้ตั้งใจแต่มันจะเกิดสติที่เป็นอัตโนมัติสติที่มันรู้ของมันเองนะจะทำอะไรมันก็ทำในรูปแบบเนี่ยมันก็รู้แบบเบาๆสบายๆนะอ่า เพื่อนไหวก็รู้นะ่ะหยุดก็รู้นะกระพริบตาอาปากก็รู้นะเอนะเปลี่ยนที่บัต่างๆก็รู้แล้วก็มันต้องเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่นะครับนะไม่ใช่รู้แค่ส่วนในส่วนหนึ่งการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนะี่ยสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนะี่ยบางทีมันเกิดความความตึงความเครียดนะ ความเมื่อยล้าส่วนใดส่วนหนึ่งโดยที่เราไม่โดยที่เราพอเราไม่ไปกาหนดรู้ความมันน่มันก็เลยสะสมกลายเป็นความทุกข์หนักหนกแต่ถ้าเรารู้สึกตัวนะเราก็จะเห็นอออันนี้มันมันนั่งแล้วมันปวดเมื่อยเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมาหน้าตาบางทีมันตึงเครียดเกินไปนะเราก็ผ่อนคลายหน้าตานะ การวางสายตามันเพ่งจ้องเกินไปนะเราไม่ทันเห็น <S <S <an> <S คล้ายๆเหมือนเราทำงานนะบางทีเรามีสมาธินะจ้องเลยจ้องดูอะไรสักอย่างหนึ่งบงทีสมาธิมันมากไปมัเป็นแบบนั้นมันไปจ้องมันไปจดจออยู่กับสิ่งภายนอกจะลืมดูตัวเองว่ากำลังเพ่งจ้องเกินไปมาทีจิตมันก็ไปเพ่งจ้องดูร่างกายบางส่วนมากเกินไปนะ เชเพ่งจ้องดูที่เท้าดูที่มือเกินไปเนะี่ยมันเรียกว่ามีสมาธินะ่ะแต่มันไม่ใช่มีความสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีสมาธิในการโฟกัสเข้าไปส่วนในส่วนหนึ่งนะมันก็ยังไม่ใช่สัมมาสมาธิจริงๆครับนะเราต้องเป็นอสมาธิที่มีสติประกอบมันจะเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึก ตัวที่มันชัดๆนะส่วนใดที่มันเคลื่อนไหวที่มันทำงานมันก็จะรู้สึกชัดกว่าส่วนอื่นแต่ส่วนอื่นถ้ามันเริ่มผิดปกตินะสติมันก็จะเข้าไปรู้ละนะรู้แล้วก็ปรับรู้แล้วก็เปลี่ยนของมันเองนะหายใจทีแล้วอะ่ะมันเห็นแล้วนะมันก็หายใจนะยาวขึ้นนะห่างขึ้นนะน้านิ้วคืวขโมดแล้วเหรอนะ เราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตัวเองนะไม่มีกระจกดูแต่ใจเนะี่ยมันจะเห็นออมันตึงเครียดแล้วเนาะนะก็ยิ้มนิดนึงอะไรนะี้มันก็จะผ่อนคลายหรือเราเดินจำปีเราก็จับมือจนไหล่มึงเกร็งนะหรือบางทีเราก็เดินแบบเกรง็งไม่ได้งอขางอไม่ได้แบบเหยียดขาตรงอย่างเดียวไม่ค่อยงอเข่านะ เดิไปก็ปวดเมื่อยทําไมปวดเมื่อยเบวจังอ๋อเราเดินแข็งไปนอตเลยนะมันก็จะปรับเปลี่ยนร่างกายนะครับนะปติจะเข้าไปรู้รู้อย่างอื่นด้วยที่มันผิดปกติมันก็จะเปลี่ยนมันก็ทําให้ร่างกายมันปวดเมื่อยร้าน้อยลงนะจะไม่ให้ปวดเมื่อยร้าเลยไม่ได้หรอกนะธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแต่มันจะน้อยลงนะมันจะมีความค่อนคลายขึ้นทั้งเนื้อทั้งตัวนะ ทุกส่วนจะผ่อนคลายขึ้ น, นพอเรามีสติรู้กายเยอะๆเนี่ยแหละครับเมื่อเกิดความคิดมันแทรกเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติเนี่ยอย่าไปหาเรื่องตั้งใจคิดนะไม่ว่าจะคิดธรรมะคิดอางานการดีๆนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ นะต่อชีวิตของเราเองประโยชน์ต่อคนอื่นก็ดีนะหรือว่ า, าคิดอย้อนกลับไปทบทวนตัวเองในอดีตหรือคิดวางแผนอนาคตเนะี่ยมันชวนให้เราลืมปัจจุบันเนี่ยแหละครับนะสิ่งนสำครก็คือความคิดเนะี่ยมันทําให้เราลืมปัจจุบันนะมันทําให้เราออกนอกตัวเราก็เลยเสียเวลา เราเดินอยู่นั่งอยู่แต่เราก็เอาเวลาไปคิดนั่นคิดนี่นะมันมีมันมีรู้สึกตัวไม่จะคิดดีขนาดไหนนะครับนะวางมันบางทีเราจะรู้ทันในความคิดไม่ดีเนะี่ยเร็วแล้วก็อยากจะวางมันได้เร็วนะแต่ความคิดที่ดีเนะี่ยมันมันชวนให้เราคิดนานนะคิดเพลินเราต้องรู้ทันมันเนาะรู้ทันแล้วก็วางก่อนนะวางแบบไม่ได้ห้ามนะไม่ใช่ห้าม คิดไม่ได้แต่วางก็คือวางใจมาอยู่กับกายแทนอย่าเอาอย่าวางใจไปอยู่กับความคิดเหมือนเดิมก็ <c oughs> เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนฐา น, นเปลี่ยนฐานเมื่อกี้ใจมันคิดนะเปลี่ยนฐานมาอยู่กับกายแท น, นเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์มาอยู่กับกายเราก็จะเห็นนะเออเดี๋ยวก็คิดจะแทรกเข้ามานะ ต่อไปมันก็จะเห็นเลยเนะี่ยเดี๋ยวก็เห็นกายระดับของความคิดนะสติมันเห็นนะมันจะรู้อ๋อเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้คิดเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้คิดนะไม่ได้ตั้งใจจะไปรู้นะแต่แต่เพียงแค่กำหนดสติแบบแบบ ร, มรวมๆแบบเนี้ยนะแบบเป็นกลางๆนะสติมันจะเข้าไปรู้ระดับของมันเองนะอะไรมันเด่นมันก็จะรู้ของมันนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะ ที่จริงมันปรากฏอยู่แล้วนะในโลกนี้ยทุกอย่างนะนะกายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาทีนะ่ยบทมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเนะวทนาก็มีอยู่ตลอดเวลานะเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรือว่าเวทนาที่เป็นกลางๆนะก็ดีเฉยๆเนะ่ยมันก็มีตลอดเวลานะอย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยต้องมีอยู่แล้ว จิตเองก็มีตลอดเวลานะจิตที่ปกติเนี่ยหรือว่าจิตที่มันไม่ปกติเนี่ยเอมันมีอยู่แล้วนะธรรมารมเนี่ยกระบวนการธรรมารม์ทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายที่เป็นกลางๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมีตลอดเวลาอยู่แล้วนะออที่มันเนื่องด้วยรูปแล้วเนื่องด้วยนามมันมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่จริงฐานของสี่ประธานทั้งสี่เนี่ย มันมีอยู่ตลอดเลยนะเมื่อเรามีสติมากขึ้นนะแ ต, แต่ก่อนฐานที่เราเริ่มเน้นนะคือฐานกายนะนะฐานการเคลื่อนไหวต่อไปสติก็จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนะสิ่งที่เป็นนมามธรรมที่มัละเอียดขึ้นไม่ใช่เราไปตั้งใจดูนะไม่ใช่เหมือนเราไปคอยจ้องอยู่อยู่ที่ดูหนูเมื่อไหร่หนูมันจะออกมาจะ ต, ตะปบมันไม่ใช่นะ การดูอารมณ์ดูความคิดเนี่ยไม่ใช่เราไปคอยจ้องคอยหานะไม่ใช่เราเหมือนไปค้ายเดินหาเห้มันคิดอะไรมันรู้สึกอย่างไรไม่ใช่นะเราดูผ่านการทำงานของเราผ่านฐานการเนี่ยนะเรานะจะเห็นโอ้เมื่อกี้มันแว บ, บออกมาคิดแวบบออกมาละแวบบออกมาให้มันแว บ, บออกมาก่อนแล้วเราคอยรู้ทันนะแต่ถ้าเราไปคอยหามันเนี่ย เรียกว่าปิดจ้องดูครับไปจ้องดูความคิดหรือแม้แต่เราดูกายก็เหมือนกันถ้าเราไปคอยดูมันนะมันจะเป็นการปิดจ้องครับมันที่จริงมันง่ายนะแค่สัมผัสปุ๊บรู้ปับเลยแค่เคลื่อนปุบรู้ปับ๊บหรือแค่จิตมัแรบออกมาเนี่ยก็รู้ปั๊บเลยเนะี่ยมันมันง่ายกว่าคือมันเกิดขึ้นนะถ้ากายเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตอนนั้นจิดก็รู้ทันทีปุ๊บเนี่ย มันง่ายนะมันเป็นสัมผัสอย่าเช่นตอเนีลมกระทบเย็นๆนะมันก็รู้เลยนะอ่มันก็รู้สึกปัจจุบันเลยไม่ต้องใช้ความคิดเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็รู้ได้เลยนะใช่ไหมแล้วก็นั่งมันก็รู้ได้จริงๆเลยไม่ต้องคิดแต่บางทีมันแวบขึ้นมาเนี่ยอ๋อแวบขึ้นมาเราเห็นอ๋อมันแวบขึ้น น่ก็คือเหตุละอ้อความคิดแต่ก่อนนะผมก็เคยหลงดูยงไงนาะดูใจนะดูจิตนะไปพยายามหานะพยายามไปดูมันสำรวจดูอไอจริงการไปหาไปสำรวจเนี่ยมันไม่ใช่อ๋อที่จริงดูจิตดูใจเนี่ยดูผ่านกายเนี่ยแหละนะกายที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเรากำหนดอยู่กับตรงนี้เนี่ยแหละ เดี๋ยวพอควาคิดมันเกิดขึ้นมามาแทรกอ้อเราก็เห็นเห็นแล้วมันก็จบเนี่ยไม่ต้องไปหามันไม่ให้ไปจ้องมันขึ้นพระใจเนาะโอที่จริงกายวิชาจิตธรรมเนี่ยมันบังคับไม่ได้หรอกนะสติมันก็บังคับไม่ได้นะเราก็เพียงแค่ตามรู้มันไปนะตามความเป็นจริงเท่านั้น่นะรู้อ๋อพอรู้แล้วทําไง รู้แล้วก็วางมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นอะไรที่เกิดขึ้นมาก็รู้นะเรียกว่ารู้รู้แบบตะพื้นตะพื้นนะอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้นะรู้แบบไม่ต้องไปจําแนกแยกแยะนะในสิ่งที่รู้นอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ไปนะถ้ารู้เฉยๆเรื่องนี้มันจะง่ายนะถ้าไปรู้แล้วไปแยกมากบางทีมันจะถูกกิเลสมานลงอยู่ละวนะ อันนี้ดีก็ชอบอันนี้ไม่ดีไม่ชอบนะอันนี้ดีก็จะเอาอันนี้ไม่ดีก็จะไม่เอาเนะี่อมันมันจะค่อยๆแยกไปแล้วนะแต่เราปฏิบัติเพื่อเพื่อเพื่อรักครับนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอานะ้าเข้าใจปฏิบัติเพื่อรักเออลความยึดมั่นถือมั่นเราปฏิบัติแล้วก็ทิ้งลงไปนะละออกไปนะ รู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งดูแล้วก็ทิ้งนะแต่ต้องรู้ก่อนนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะมันจะเหมือนเป็การสะสมนะครับสะสมสะสมความรู้สึกตัวเข้าไปเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆนะมันเหมือนท่าเหมือนกับแบบกังหันน้ํำนะมันมีน้ําปล่อยลงมาเนี่ยกังหันน้ำมามันก็พัดมันก็หมุนไปเรื่อยๆนะแต่น้ํามันต้องไหลไปเรื่อย ถ้าน้ำไม่ไหลกังหันมันก็ไม่หมุนตัวสติก็เหมือนกันถ้าเราไปกำหนดแช่จ้องประคองสติไว้ตลอดเนี่ยมันก็เหมือนน้ำที่มันนิ่งนะปัญญามันก็ไม่ทำงานนะมันก็จะนิ่งเชยสงบนะอยู่แบบนั้นแต่เราต้องดูแลแล้วก็ปล่อยนะให้เกิดความรู้ใหม่เข้ามาแทนที่เนกะิดความรู้ใหม่เข้ามาแทนที่นะ มันก็จะได้ค่อยๆรู้พัฒนาไปนะไม่ต้องไปกำหนดว่าจะรู้เพื่ออยากจะได้อยากจะเอาอยากจะเป็นอะไรนะครับถ้าเราอยากมีความอยากมากเนี่ยโอ้มันจะทำเราเครียดนะมันจะทาด้วยความจริงจังนะแต่เราทำแบบพอใจรู้ครับนะพอใจในการที่จะรู้ตนเองนะรู้กายรู้ใจศึกษามันดูซินะ มันอยู่เราอยู่กับร่างกายนี้มาหลายสิบปีแล้วนะเราไม่ค่อยรู้จักมันเลยนะเราเรียนรู้แต่เรื่องข้างนอกเยอะเลยแต่เรื่องในกายในใจเนะี่ยเราไม่ค่อยรู้จักนะเราก็เหมือนแค่เออมันเป็นเรื่องที่เรากลับมาสนใจเรียนเขาหน่อยเนานะเพราะเขาเกี่ยวข้องนะถ้าเราไม่รู้จักเขาเนะี่ยมันจะทำให้เกิดคนทุกข์ใจมากเลยนะ ชีวิตก็จะเป็นทุกข์ชีวิตก็จะไม่เจอความสุขจริงๆแต่ถ้าเรากลับมาเรียนรู้เขาอ๋อมันก็ไม่ยากเกินไปเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วนะนะกลับมาดูนะกลับมาดูเมื่อเรากลับมาดูบ่อยๆเราจะเห็นนะเมื่อเรากลับมาดูบ่อยๆเราจะเข้าใจเมื่อเรากลับมาดูบ่อยๆเมื่อเข้าใจแล้วจะเกิดการยอมรับ เมื่อเกิดการยอมรับแล้วใจมันก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะปล่อยวางใจก็จะเป็นปกติเพราะเข้าใจแล้วมันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะมันเป็นมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ใช่เรามันก็เป็นเพียงแค่อาการมันเป็นก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการมันก็เป็นเพียงแค่ธรรมธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้ว มันก็มีชีวิตอยู่ได้แบบไม่ทุกข์นะมันก็เป็นธรรมดาของโลกนะโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะร่างกายจิตใจมัน <kinds> ก <of life> <imagine> ็เป็นอย่างนี้แหละนะร่างกายจิตใจคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละนะมันก็ไม่มีปัญหากับตัวเองนะแล้วก็ไม่มีปัญหากับคนอื่นด้วยนะอมันก็เป็นธรรมดานะอันนี้คือคือสัจธรรมเนาะคือความจริงที่ที่มันแสดงอยู่แล้วนะแต่ว่า ถ้าเราไม่เห็นนะเราก็จะหลงไปกับมันนะหรือถ้าเราไม่เข้าใจมันเราก็อยากจะไปจัดการมันให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการแต่จริงไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อไปจัดการปฏิบัติธรรมเพียงแค่ศึกษานะแล้วก็ยอมรับเขาเนะีนะ่ยแหละใจก็จะเกิดความปล่อยวางนะนะเกิดความว่างนะสบายสบายนะ เป็นการรู้แบบสบายๆนะแล้วก็ฝากไวนะ้